ปฏิบัติไม่ได้ผมอยากจะพูดว่าแก้ผ้าก็ปฏิบัติได้กรับธรรมะคือไม่มีสักชิ้นหนึ่งก็ได้มีเงินก็ได้ไม่มีสักบาทเดียวก็ปฏิบัติได้ครับรวยก็ได้จนก็ได้ตาบอดก็ปฏิบัติได้ครับดนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องรูปแบบภายนอกแต่าการสวมครึ่งแบบก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งเป็นอุนีนิยม ถาว่าบวชแล้วได้อะไรขึ้นมาบอกว่าประการแรกที่สุดคือคือคือเป็นบ่อบุญครับถ้าไม่มีเครื่องแบบสง์หรือฉีหรืออะไรนะครับก็ชาวบ้านไม่รู้จะทําบุญที่ไหนไม่รู้จะทำกับใครด้วยเพราะชาวบ้านนั้นเขาต้องการบุญกุศลดังนั้นผู้ที่บวชก็เป็นบ่อบุญคือที่ที่ชาวบ้านเวียนมหามาทําบุญจิตใจชาวบ้านก็จะเป็นกุศลขึ้นเมื่อได้เห็นพระสงฆ์นะครับ แต่เดิมนั้นผัวเมียทะเลาะกันพระมปเยี่ยมในบ้านเ ง, เงียบทันทีเกรงใจพระนั้นกุศลเกิดอีกประการหนึ่งก็คือผู้ผู้บวชแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างหมดจบนะรบพระพุทธเจ้าตรัสวาในพระสูตรหนึ่งว่าถ้าใครมาถามเธอว่าเธอรู้ธรรมะได้อย่างไร <c oughs> ออกบวชเพราะอะไร ผู้ที่ออกบวชอย่างถูกต้องนั้นให้ตอบว่าแต่เดิมพระเจ้านั้นเป็นครือขัด ต, ต่อมาได้ฟังธรรมได้พบพระอริยบุคคลหรือสาวกของพระเจ้าฟังธรรมและเลื่อมใสพิจารณาตัวเองว่าซึ่งจะปฏิบัติธรรมะในเพศครือขัดนั้นย่อมยากไม่ใช่ไม่ได้นีแต่ย่อมยากแล้วมองการออกบวชเป็นโอกาสว่าง ซึ่งบุคคลทีปฏิบัติธรรมะในเครื่องแบบในเพศฤาษีหให้บริสุทธิ์ดุจสังที่เขาขัดน้นย่อมยากจึงตัดสินใจออกบวชต่อมาไม่ช้าเจริญภาวนาเจริญจิตขึ้นพลิกคว่มพลิกหงายขันห้าแล้วอาชวะต่างๆสิ้นไปเสื่อมไปนี่คือผู้ที่ออกบวชและปฏิบัติอย่างถูกต้องเขาจะต้องตอบอย่างนี้ครูสอามองอนะครับ ดังนั้นเราต้องรู้นะครับเมื่อเราเป็นเครือข่ายเราต้องปฏิบัติเข้มข้นยิ่งกว่าพระเพราะว่าการปฏิบัติในเครื่องแบบเครือข่ายย่อมยากครับเพราะมีเรื่องเยอะเช่นต้องทำมาหากินต้องดูแลลูกเจ้าต้องสงเคราะห์ญาติต้องเกื้อเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลแก่บุพการีสงเคราะห์ญาติลูกเมียญาติของญาติ ว่าเป็นพิรันก็มีตัวเองไม่ใช่เป็นเพียงลูกตัวแล้วมันต้องเป็นลูกเขยของอีกครอบครัวหนึ่งด้วยจะไปแต่งงานเขานอกจากเป็นลูกของพ่อแม่ก็เป็นลูกสะพ้ายของอีตระกูลหนึ่งแล้วต้องสงเคราะห์ผู้คนยากครับแต่ว่าสิ่งที่ยากนะครับสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบยากยากครับคือมันท้าทายดีก็ได้ผมเป็นคนชอบสิ่งยากยากในเรื่องยากยากแล้ว บางทีมนสนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ไงก็ตามนะถ้าพวกเราจับเรื่องความรู้สึกตัวก็ได้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรจะยากนะฮะแต่อย่าคิดว่าง่ายครับคนที่คิดว่าปฏิบัติธรรมนี่ง่ายเนี่ยพลาดง่ายครับแต่ว่ารู้สึกตัวนี่ไม่ยากไม่ง่ายครับขอให้รู้ของจริงเท่านั้นจะเป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติตัวนี้ จะเป็นโยมก็ต้องปฏิบัติตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นนักบวชแล้วโอ้ยเราเป็นพระเป็นนักบวชเราต้องปฏิบัติอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสัจธรรมที่เป็นกลางกลางครับคือรูปคือนามนี่เองพอเรามาจับความรู้สึกตัวเห็นรูปเห็นนามกําลังกระทํากันอยู่ตอนนั้นเราละเพศแล้วครับไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นบรรพชิตไม่เป็นโยมแะจริงไหมครับ ก็เดินทางเข้าไปภายในซึ่งเป็นประมัติถะพอเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงชีวิตจิ ต, จตใจนั้นเหมือนไม่เป็นชีวิตไม่ได้โหมเครื่องแบบครับใจนี่ไม่ไม่มีคําว่าหญิงหรือชายเราต้อพูดกันเองเท่นั้นะครับว่าโอ้ยนี่ใจหญิงนี่ใจชายจิตใจไม่มีเพศครับร่างกายนี่พอจะบอกได้ว่ามีนิมิตเป็นชายเป็นหญิงแต่เข้าไปสู่เวทนาไม่มีเพศนะครับ สุขทุกข์อะไรนี่เข้าลึกไปถึงจิตนี่จิตไม่มีรูปร่างเมื่อไม่มีรูปร่างมันจะมีเพศไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีสีสันไม่มีน้ำหนักไม่มีขนาดดังนั้นเมื่อเดินทางเข้าไปภายในนะครับเข้าถึงถิ่นปรมัติสมเร็งนี้นะไม่เกี่ยวเครื่องแบบครับแต่โดยภายนอกเครื่องแบบยังมีบทบาทในสังคมนะครับเพราะเราละภายนอกไม่ได้ครับ ตอให้ภายในเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอย่างพระเจ้าท่านเป็นพระเจ้าแล้วนะครับคนที่เคยรู้จักท่านก็ยังพ่อเนี่ยยังคิดว่าเป็นเจ้าชายศิทธะอยู่แล้วก็พรามบางคนเนี่ยไปที่ริมน้ำวันนั้นพระเจ้าท่านนั่งแล้วท่านอากาศร้อนในเดียากาศร้อนมากท่านเอาจีวรคลุมพระเสียนคลุมตลอดแล้วนั่งนั่งเล่นอยู่ริมน้ำพรามเขาไปทาบุญครับเขาจะไปบวงสรวงเทวดารับ เขาเห็นแล้วไปเปิดจีวรของพระเจ้าดูเห็นเป็นสมณะโล้นคือคนก้นหัวมลยถมน้ําลายลดหัวพู้เจ้าเขาคือคนไม่รู้อะไรนะครับยังภาษาริบุตรเดินไปนี่พวกพราวก็นั่งคุยบอกลองดูมันทีไหมลองมันหน่อยมั้วิ่งตามหลังเงื้อกำปั้นอัดอักเข้าไฟภาษาลิบุตรเฉยถ้ารู้ด้วยเขาเขาจะเบียดเบียนท่านท่านก็เฉยคือคนมันดูแต่ภายนอกครับ มันเห็นว่ไอนี่หมา้นี่หมูไนี่กานี่ก่ไอ้นี่พระนี่เนรนี่ชีเห็นเท่านี้ครับเห็นคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยคนนี้อ้วนคนนี้ผอมแล้วนั่งคุยกันเรื่องคนนี้เป็นวันๆเลยดังนั้นสตรีมก็ฟั่นเฟือนไปทุกวันครับเข้าใจไหมครับที่ผมบอกให้ดูข้างในเนี้คือเราเดินทางเข้าไปข้างในครับจากความรู้สึกตัวนี้เดินทางซอกลึกเข้าไป ยิ่งเข้าลึกเข้าไปยิ่งเข้าถึงถิ่นของปรมัติสั จ, จ็บปรมัติสัจธรรมนั่นเข้าไปทุกทีมันก็ละเลิกเพิกถอนสิ่งที่ยึดถือที่เรียกว่าอุปาทานนะครับก็แจมแจ้งต่อปรมัตารเมื่อข้างในแจ้งหันมาดูโลกสมมติมันก็แจ้งเข้าใจไหมครับรู้ว่า สมมุติคืออะไรนี้เข้าใจดีเมื่อเข้าใจประมาจิแต่ถ้าไม่เข้าใจประมาจิพูดเรื่องพูดเรื่องปรมาจิอยู่แต่ไม่เข้าใจประมาจินั่นเป็นสมมุติครับเข้าใจไหมเพราะยังอยู่ในในข่ายสมมุติดังนั้นผู้ที่ไม่รู้จักประมาจิตพูดเรื่องประมาจิเป็นสมมุติหมดสิ้นครับแต่พอเข้าไปข้างในแล้ว รู้ครับแยกออกว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นปรมัติอย่างสีสมอนก็เป็นสมมติกำมังง่วงด้วยตอนนี้ <S <S 1> <S 1> แต่ง่วงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมุตคิคือปรากฏจริงๆเลย <S <S 1> <S 1> เอาละเราก็ปฏิบัติกันวันนี้ทั้งวันนะครับเรามารวังตัวให้ดีๆมาระวังให้ดีๆนะครับ ตามคุ้มครองรักษาความรู้สึกตัว <c oughs> ภาษาพระเขาเรียกดรุนวิปัสนานครับคือดรุนคือคำดารุณครีคือวิปัสนาอ่อนๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องรักษา <c oughs> ไม่ตามคุ้มครองไม่ตามรักษานะครับมันก็หิวเฉาไปดังนั้นเราเระมัดรวังตั้งสติละลึกรู้ข้ามาที่ตัวความรู้สึกสดสด เป็นเสมือนประทัดฐานที่สำคัญนะครับดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่อยมองข้างนอกมากนักครับเอาพอรู้พอผ่านเจอเพื่อนก็พอรู้พอเห็นทักถ่ายนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยพอให้ให้สังคมมนุษย์มนุษยชาติเป็นไปได้สังคมภายนอก ตามปกป้องคุ้มครองอันนี้ให้ดีๆครับวันนี้ผมอยากให้ปฏิบัติทั้งวันเลยเข้าใจไหมครับเพราะเรามีเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวรเราปฏิบัติมันทั้งวันครับทุกอรีบะจะดีไหมครับคือตอนที่กินข้าวไปตักข้าวเราก็ถือบาตรถือภาชนะไปอย่างรู้สึกตัวถือแล้วตักแล้วตอนตักก็รู้สึกตัวดีไม่วอกว่า ไม่ต้องสนใจอาหารจะขาวจะหวานจะดีจะด้อยช่างมันนั่งลงช้าช้ากินช้าช้าอิ่มแล้วไปล้างภาชนะพอล้างเสร็จคว่าภาชนะอย่างรู้สึกตัวแล้วก็ออกมาหาที่หลีกเล่นเดินจงกรมของตัวเข้าใจไมครับไม่ต้องอิงสัญญาณและคังใดๆทั้งสิ้นเข้าใจผมจะขออนุ ญ, ญาตพิเศษ อาจารย์มีสุดให้นะครับแล้วแต่สัญญาณเขากะตีไปตามเิมแต่แบั น, นี้ทุกคนไม่เกี่ยวกับสัญญาณเลยเอาสัญญาณในตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจไหมใ ค, ใครไม่เข้าใจบ้างครับคือเอากิจวัตรประจำวันนั่นเองเป็นสัญญาณพอกินข้าวเสร็จออกมาเดินจงกรมทันทีไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยแล้วก็ ขอร้องให้เป็นบริเวณนี้ครับเพราะว่าถึงเวลาผมจะเรียกประชุมได้เข้าใจไหมครับผมจะตีละฆังเบาๆแล้วก็เข้ามาบันนี้ให้ทุกคนพึ่งตัวเองครับอย่างสมบูรณ์เข้าใจไหมครับไม่ต้องอิงกฎเกณฑ์ภายนอกอีกแล้วพึ่งตัวเองอย่างสมบูรณ์ครับให้ใช้สติพึ่งสติพึ่งความรู้สึกตัวในยอย่างต่อเ น, นื่อง เมื่อถึงเวลาที่จะบรรยายกันผมก็จะตีะระฆังทีเดียวเข้าใจนะครับเข้าใจสัญญาอนี้นะแล้วก็เดินเงียบๆ ม, มาฟังและปฏิบัติร่วมกันเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เลยนะวันนี้ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคื น, นครเราเริ่มปฏิบัติขั้นที่เรียกว่าจริงจังต่อเนื่อง แล้วก็วันนี้ผมจะแนะนําเรื่องปฏิบัติขั้นอุกฤษด้วยครับคือนอกจากจริงจังต่อเนื่องแล้วอุกฤษด้วยอุกรฤษนั้นหมายถึงว่าใช้อิริบททั้งสี่อย่างต่อติดไม่ว่างเว้นผมจะทําให้ดูตัวอย่างนะครับยางดูให้ดติดผมจะเริ่มต้นด้วยด้วยอิริบที่ยืนก่อนสมมติเรายืน เราจะเริ่มต้นเลยไอ้บทใดไอ้บทหนึ่งมันก็ได้ขึ้นแบบอย่างนี้มันก็จะเริ่มเลยกันต้องใจฟังนะครับคุณพูดอะไรสั้นๆก่อนที่จะปฏิบัติกันเมื่อคืนนี้พูดว่าความสุข อย่าให้ความสุขเป็นส่วนของเราจะทําทตัวเราให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขมันคือสร้างบรรยากาศของความสามคัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวทุกๆคนก็จะได้รับการเฉลี่ยวความสุขทั่วถึงนันสุขที่เกิดจากสามัคคีนะครับความเป็นหนึ่งใจเดียว ซึ่งเนื่องกับผู้อื่นแล้วเราพลอยได้รับวันนี้ขณะ น, นี้ผมจะพูดเรื่องสุขที่มากกว่านั้นสุขที่เกิดจากหลตัวหลา ต, ลาตนอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าเรามาพิจารณาดูนะครับว่ารัตนตรัยนี้เปสิ่งที่สาคัญมาก ที่มีคําว่ารัตนะมีซ้อยนามคาว่ารัตนะแปลว่าแก้วครับคนณโบราณ น, นั้นจะเทียบสิ่งใดที่มีราคาสูงสุดก็จะเทียบด้วยแก้วมณีหรือรัตนะังนั้นที่พุทธรัตนะ์ทำรัตนะ์สั่งรัตนะ์ถูกระบุ ข, ขึ้นเราปฏิบัติทำแล้วจึงจะรู้ซึ้งว่าพระพุทธเจ้านนะั้เป็นแก้วจริงๆเป็นแก้วมณี เนเนื้อพนะศอภาาสดาอื่นๆพระธรรมนี่มนเสด็จจริงๆมันดับทุกข์ได้จริงมันดับความทุรนทุรายดับความโง่ความเล่าร้อนความอะไรได้จริงๆทีนี้พระสังฆราชพระสงฆ์เเป็นมิตรที่ดีจริงๆเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะจริงๆ ก็เลยเป็นเพื่อนจริงๆของเราพระธรรมจยปรากฏขึ้นที่ใดนะครับโลก ก, ก็เจริญขึ้นดีขึ้นสับใดที่มนุษย์ยังไม่ทิ้งพระธรรมจยไม่ห่างไกลพระธรรมจ้านี้สังคมและปัจเจกก็จะประสบความสุขเหตุใดพระพุทเจ้าจึงจึง จรงดีพระธรรมจึงดีและพระสงฆ์จริงดีอย่างสมมติเราเห็นพูะเจ้าถ้าสมมติท่านเห็นแก่ตัวท่าทางโฉมเฉงคุยโวโอโอดเราคงไม่พูดว่าพรเจ้าดีใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องเห็นท่านเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมรบอบคอบสงบสงัดไม่บุนยวายดังนั้นเราจึงว่าพระพุทธเจ้าดี ทีพระสงค์นะครับพระธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นสิ่งดีเนี่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าดีที่สุดยังไม่มีใครสามารถสอนได้ดีเท่ากับท่านความสำคัญของพระสงฆ์นะครับหรือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนพระพทธเจ้าทรงตรัสนะครับว่าพระภิกษุสงฆ์นั้น สำคัญตนเพียงเส้นยาฟังออกไหมครับความสลักสำคัญของสองอยู่ตรงสงไม่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญอะไรเมื่อใดที่สงสำคัญตนผิดคิดว่าตัวสำคัญนะครับเมื่อ น, นั้นความสำคัญของสองก็จะหมดสิ้นลงฟังออกไหมฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่า ความสำคัญของพระสงฆ์คือก็คือกลุ่มท่านผู้ปฏิบัติสละความเห็นแก่ตัวสละทิตฐิมานะสละความเย่อหยิงจองหองฟองคนดังนั้นพระสงฆ์จึงสาคัญเพราะตัวอย่างมนุษย์ที่นี้หาได้ยากนะครับดังนั้นสังคมใดมีบุคคลที่กินน้อยใช้น้อยไม่เย่อหยิ่งเยโสสุภาพสงบระงับเช่นนี้ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลนั้นสำคัญมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงไหมแต่เมื่อใดพระสงฆ์สำคัญตนพลาดไป ค, คิดว่าตัวเองนี่สำคัญนักหนาเมื่อนั้นความสำคัญของท่านการสารความสำคัญของท่านก็จะสูญเสียไปทันทีเข้าใจไหมครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุสงฆ์สำคัญตนเพียงดังเส้น้า คิดแตเราไม่ได้มีค่ราคาอะไรเลยคนที่คิดด้วยตัวเองไม่ไม่สําคัญอะไรเลยคนเช่นนั้นสาคัญมากในสังคมครับเพราะเขาจะไม่ขโมยเขาจะไม่ทําร้ายเขาจะไม่ไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องพูดเท็จปลืมปล่อนกะล่อนหลอกล่อผู้อื่นทุกวันนี้นะครับชาวบรรสงค์พระสง์ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะ จะมองตามที่เป็นจริงนะครับประสงค์มักจะสำคัญตนผิดเพราะอะไรเพราะออกบวชปับก็มีญาติโยมกล่าวไหวนับถือทันทีก็เลยลืมตัวครับว่าเป็นสมคุณเป็นสมเด็จเจ้าคุณเป็นสมเด็จกกันหน่อยขี้มโมโหเก่งขึ้นวางอำนาจใหญ่ขึ้นดังนั้นท่าวันสงจึงหมดสิ้นความสำคัญลงทีละน้อยทีละน้อย ตัวอย่างเห็นได้จากเด็กรุ่นหลังเข้าไม่เล่นด้วยครับตรามองในแะง่งความจริงนะทำอันสงผมคิดว่าล่มแล้วเดี๋ยวนี้พวเด็กรุ่นหลังเข้าม่เล่นด้วยเขารู้สึกว่าพระสงค์วางท่าเกินไปนั่ผมชี้เห็นว่าพระพุทธกด็ดีพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีนะครับเป็นดังดวงแก้วคำว่าแก้วในสมัยโบราณไม่ได้หมายเพียงแต่ว่าเอาไปขาย เป็นเงินเป็นทองนะครับหมายถึงสิ่งที่ส่องสว่างด้วยดวงแก้วในหมายว่าสิ่งที่โชติช่วงเหมือนก็เรามีไฟฟ้านะครับมันทําให้วัดนี้ก็สว่างไม่มืดตราบใดที่พระตะไตร้ต ย, ยังมีความสําคัญอยู่ชุมชนนั้นก็จะมีแสงสว่างบุคคลผู้ถือพระตะไคร้เป็นที่พึ่งก็เหมือนบุคคลถือคบอยู่ในมือเดินมาในที่มืดได้ยอย่างด้วยความมั่นใจ จำได้ที่รัตนตรยยัยหรือสมมติพระพุทธเจ้าเราสมมติกันนะจริงๆมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดคิดว่ากูเป็นพระพุทธเจ้าสําคัญกว่าใครหมดแล้วก็เย่อหยิงเยโสพระพุทธเจ้าก็จะตกออกไปจากความทรงจําของมนุษย์จริงไหมครับเพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าซึ่ ง, งโง่ถือดีอวดตัวประสงค์ก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าที่ย้อนมาดูที่ตัวเราเมื่อดเราสำคัญตนผิดไปเมื่อนั้นเราก็จะตกไปจากความทรงจำของเพื่อนๆด้วยครับที่เคยดีกันวันนี้คิดว่ากูได้ดีแล้วมีเงินมากกว่าแกวางท่าวางทางกับเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกไม่อยากจะคบด้วยสรุปใจความย่อๆว่าความสลักสำคัญของ พระัตนใจนะครับพระพุทธก็ดีพระธรรมพระสงฆ์ดีอยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้รู้สึกกับตัวเองสําคัญอะไรกว่าเส้นยาหรือไม้ผุผุส่วนพระธรรมนั้นสอนเรื่องความว่างอยู่แล้วครับจากตัวตนพระาสนาธรรมนั้นพระธรรมที่พระพเจ้าสอนก็สอนในเรื่องของความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นสิ่งดั่ด ไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยอะไรไม่ได้วิเศษหรือไม่ได้มีค่าอะไรตามทางโลกสมมุติดังนั้นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เข้าถึงรธรรมที่เป็นดาดดาษธรรมดาท่านก็ถึงถึงความดาษพระสงฆ์ก็เข้าถึงเรื่งความดาษยิ่งมีกลุ่มบุคคลนะครับเข้าถึงลักษณะธรรมชาติธรรมดามากเพียงใดสังคมนั้นก็มีหลักประกันที่แน่นอ น, นครับ แต่เมื่อใดก็ตามพระสงฆ์สําคัญตนผิดนะคิดถึงตัวเองสําคัญมากๆยิ่งยโสโอหังคิดว่าตัวเองสูงส่งเมื่อ น, นั้นก็จะสิ้นความสําคัญไปทันทีเข้าใจได้ใช่ไหมครับอืมไม่เข้าใจได้แล้วนะครับเราจงปฏิบัติธรรมะด้วยจิตใ จ, จซึ่งท่อมคือน้อมนําธรรมะเข้ามาแล้ว ก, ก็ปฏิบัติตาม เยี่ยงผู้ที่เป็นทาตติดตามนายด้วยความพักดีแบบที่เราเสวดมนต์ น, นะ่นแหละก็จะเป็นทาตุข้าพเจ้าป็นทาสีของพระพุทธธรรมสงฆ์นยแม้พระสงฆนะ์งก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับต้องคิดอย่างนั้นว่าเราไม่ได้วิเศษอะไรกว่าใครเราเป็นเพียงเหมือนเส้นญ้าไม้ผุดังนั้นไม่ต้องหยิงในศักดิ์ศรีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นโน้มสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน มาแล้วก็ปฏิบัติตามซื่อๆอย่า ก, กลัวการที่ต้องปฏิบัติอะไรซื่อๆครับเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดยิงยโสว่า โ, โอปฏิบัติซึ่งๆอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเราต้องกล้าวแกร่งเราต้องเป็นนักต่อต้านนักปฏิวัติปฏิรู ป, ปอะไรแบบนี้ผมคือว่าความคิดชนนี้มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียแล้วส่วนใหญ่มันเสียมากกว่าเพราะสิ่งใดที่เป็นแบบแผนที่ดีที่ลงตัว ที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนตัวและส่วนรวมโดยเฉพาะส่วนรวมด้วยแล้วผมคิดว่าสิ่งนั้นเราไม่เห็นจะต้องไม่เห็นจะต้องต้านทานอะไรตรงข้ามเมื่อเราได้ยินข่าวว่ามีกลุ่มไหนที่เขาทําสิ่งดีเราควรอนุมโมทนานะครับ <c oughs> เช่นได้ยินข่าวกลุ่ม greenpeace ต่อต้านการทําลายสิ่งแวดล้อมเราควรชื่นใจพรได้ยิ น, นรหรือเราได้ยินองค์กรไหนที่กําลังอนุรักษ์สัตว์ป่า เรามีเงินบาทสองบาทว่าจะส่งไปเพื่อสมทบเราไม่ควรจะดูดายนะครับเด๋ยวนี้ธานการณ์รอบตัวนี้กำลังเวลวร้ายลงทุกทีมาสมุมแปซิฟิกตอนเหนือกำลังจะเน่าครับเพราะผงซักฟอกไม่ละลายฟองผงซักฟอกเกาะกันเป็นภูเขาลาวกาเลยแล้วก็ป่าถูกทำลายเป็นแส น, แสนไร่โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านของเรา แม่น้าภูเขาถูกทลายราบลงแล้วก็มีมนุษย์ที่มีสานึกดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อเราได้รับข่าวเราควรจะนึกดีใจแลวเราก็ช่วยเหลือในพุทศาสนานั้นการทำบุญก็ย่อมได้บุญการเพียงอนุโมทนาการทำบุญก็ย่อมเป็นบุญคือเราไม่ได้ทำแต่เราเห็นด้วยเข้าใจไหมครับร่วมด้วย เอาใจช่ว ย, วยนั่นก็คือบุญเหมือนกันแต่เราต้องทำด้วยจิตใจที่ถ่อมและสุภาพนะครับแม้ว่าพ่อแม่ของเราพูดมติใดมติหนึ่งที่ดูค่อนข้างร้ายเหตุผลซึ่งเราจำเป็นจะต้องค้านไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียหายแก่ส่วนรวมเราก็จะต้องค้านด้วยใจซึ่งถ่อมจริงไหมครับถ้าเราไม่ค้านเลยบางที พ่อแม่เราทำผิดได้ครับในฐานะเป็นบุตรชนเข้าใจไหมครับถ้าเราไม่ค้านกลายเป็นว่าเราปล่อยพ่อแม่ล่มจมไปเลยซึ่งนั้นไม่ใช่ความกตัญญูบางทีเราต้องต่อสู้กับคนที่เรารักด้วยครับคือไม่ใช่เราต้องต่อสู้กับศัตรูเท่านั้นเพราะศัตรูมีหลายชั้นศัตรูข้างนอกและศัตรูภายในดังนั้นบางทีเราก็ต้องฟาดฟันนั่นกับ เพื่อนที่เรารักมากไม่ใช่ฟันก็ได้มีดได้วขวานครับก็ด้วยเหตุผลแต่ว่าน้ำหนักที่สูงสุดนั้นคือความท่อมคนที่ท่อมที่สุดจะมีน้ำหนักที่สุดแต่ว่าคนที่โอหังนั้นเปราะมากๆครับไม่ช้าไม่นานก็แม้จะมีเหตุผลแหลมคมแต่เพื่อนไม่ฟังเพราะมั น, มนดูละไม่น่าฟังไม่ชวนฟัง ถ้าพระสงฆ์ที่พูดเก่งนะครับมีโบหารแต่ว่าดูแล้วโอหังเพราะว่าไม่งามประชาชนย่อมไม่เลื่อมใสประชาชนย่อมเลื่อมใสพระสงฆ์ซึ่งเฉยเงียบแล้วกระุนาพูดน้อยแต่จริงใจสิ่งนี้เรารู้กันดีครับไม่ใช่เราไม่รู้เราเองก็ชอบอย่างนั้นไม่ใช่หรยอครับเราไม่ชอบคนขี้คุยแต่บางทีเราเองก็ขี้คุย ทั้งๆีเราไม่ชอบแต่ว่าเราเผลอเห็นความขัดแย้งในตัวคนครับเราไม่ชอบเลยการขี้โมโ้ขี่กุยแต่เผลอไม่ได้เผลอเราเอาเองดังนั้นเหมือนเรากำลังต่อสู้ภายในตัวเองนะครับเมื่อสติเราทันท่วงทีนะครับนิสัยเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามโมโนกติที่สูงขึ้นคือเราเริ่มเห็นตัวเองขี้โมโ้พอเห็นอย่างนี้นานๆมันเบื่อครับ มันเบื่อเหมือน เ, เบื่อขี้หน้าเพื่อนเนี่ยที่มันชอบคุยโวเลยเราไม่อยากฟังแล้วหนีพราะสติค่อยๆเต็มเข้าต่อเนื่องกันเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆละนิสัยนั้นได้ครับซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆเนี่ยในที่ประชุมนี้ใครชอบกิเลสมั้งครับผมเชื่อไม่มีแต่ว่าใครรู้จักกิเลสถูกต้องหและถี่ถ้วนบ้างไม่แน่นอนครับทั้งๆเราไม่ชอบแต่เราไม่รู้จักมัน บางทีมันมาในรูปของเหตุผลแต่เหตุผลนั้นเนื่องจากเราลิษยาคนโน้นเราจึงมีเหตุผลเป็นร้อยๆที่จะด่ามันจริงๆมูลเหตุของมันคือเราลิษยาเขาดังนั้นเราต้องรู้จักเราลากฐาน ท, ที่หนักแน่นที่สุดในการเรียนรู้ตัวเองนะครับก็คือความถ่อม แต่ถ้าคุณแกล้งทอมนั่นคือการขี้คุยครับแล้วทํามันคนสุภาพมากๆนั่นคือมันคุยโตโอ้อดอะไรบางสิ่งเข้าใจไหมครับเช่บางคนบอกโอ้ผมเป็นคนจริงใจนะผมเป็นคนไม่ต้องการอะไรมากสแสดงเขายังต้องการอยู่มากๆเลยเพราะถ้าเขาไม่ต้องการเขาจะไม่พูดเลยดังนั้นความทอมนี้ต้องมาจากหัวใจนะครับหัวใจสงบเงียบแล้วก็ ไม่ลวงล่ อ, อใครด้วยเล่ห์กลอบายไม่ยวนเสน่ห์ใครไม่ล่อหลอกด้วยคําพูดที่ชวนชวนฟังหรื อ, อยวนเสน่ห์เขาไม่ต้องใช้จริญจักรันมารยาเพื่อล่อหลอกดึงดูดผู้อื่นใช้ความจริงใจประการเดียวผมคิดว่าความจริงใจนี่เป็นทั้งความถ่อมและเป็นทั้งเสน่ห์ที่แท้จริงเลยนะก็ไม่จำเป็นต้องเติมยอดต่อหางเครื่องให้มัน ยิ่งเจอมากยิ่ ง, งผมคิดว่าดูน่าเกลียดด้วยซ้ำถ้าคนที่มีสติดีจะไม่ชอบครับคนมีสติดีขึ้นดีขึ้นจะไม่ชอบสะบัดสำนวนโวหารอะไรที่มันเหมือนกระหางเครื่องเวลาขอลองเพลงมันน่ารำคาญมากกว่าที่ ท, ท, ที่น่าฟังดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าความสัตว์เป็นรถแห่งอมตะ ความสัตว์จริงมีรถที่ไม่ตายก็ได้ยินที่ไหนมันชุ่มใจที่นั่ น, นครับแต่ว่าถ้าสิ่งไม่จริงเนะ้่ยมันเติมหางเติมขนถ้ากันมันดูรุงรังพิกลดังนั้นเมื่อเราสรรเสริญคุณพระธนตร น, นะครับเมื่อขณะที่เปร่งคำอุทธธานพระธนทายนั้นนะนั่นหมายถึงเราถมเข้าไในหัวใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไม่มีมาณทิฏฐิ ระสงค์เป็นผู้ที่ไม่สําคัญตนเพียงเส้นา้าและดังนั้นความสุขที่แท้และลึกซึ้งเกิดจากการสิ้นอัตสมิมา m นะคือไม่มีตัวตนไม่มีความสําคัญตนอะไรอัตสมิมานะะวินโยเอตังเวปรังสุ ข, ขังมนว่อยงนั้นเมื่อเพิกถอนอัตสมิตร m a เสียได้ย่อมเป็นสุขที่สุด เป็นบร ม, มสุขประมังสุขังเมื่อคืนผมพูดเรื่องสุขเกิดแต่สามะคีของหมูนั่นเป็นเพียงบรรยากาศเท่านั้นเหมือนเรารนนร้อนมาเข้าไปนั่งในห้องแอร์คอนดิชันรู้สึกเย็นดีแต่นั่งนานลำคาญเหมือนกันคือบรรยากาศเป็นสุขเช่นวัดวารามหนึ่งในพระสงค์ฤหัตอุบาศกบาสิกาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวเราก็พลอยเป็นสุข